มงคลชีวิตมงคลที่18การงานไม่มีโทษอนาวัตชานิกกรรมานิเอตามังคลมุตตมั ง, ามงการงานที่ไม่มีโทษหมายถึง การงานที่ใครีๆนินทาติเตียนไม่ได้การงานที่สุจริตทางกายวาจาใจมีการสมาทานองค์อุโบสถศีลหรือการทำความขวนขวายกิจที่เป็นประโยชน์เช่นปลูกสวนและป่าเป็นต้นชื่อว่าการงานไม่มีโทษลักษณะการงานที่มีโทษ 1>, 1. การงานที่ผิดศีลธรรมและกฎหมายทุกประเภท 2. การงานที่ทำให้ตนถูกทำลายจากความดีงาม 3. การงานที่ทำให้เกิดทุกเกิดโทษแก่ตนและผู้อื่น 4. การงานที่ทำลายจารีดประเพณีอันดีงาม 4. การงานที่ทาลายศีลธรรมส่วนการงานที่ไม่มีโทษ ก็มีลักษณะตรงข้ามกับการงานที่มีโทษนี้เป็นการงานที่เน้นความขยันสุดจริตและดีงามการงานต้องห้ามของอุบาศกอุบาสิกาค้าขายอาวุธค้าขายมนุษย์ค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษ การงานไม่มีโทษจัดเป็นมงคลเพราะ 1. เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 2. เป็นผู้ไม่เป็นภัยแก่ใครๆ 3. ไม่ต้องระแวงเกรงกลัวกฎหมาย 4. เป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดตำหนิติเตียนได้ 5. จากเป็นผู้เจริญก้าวหน้าในชีวิตและอาชีพ